ในชีวิตของพวกเรานี้มีความสุขอยู่สองชนิดด้วยกันคือหนึ่งสุกกายสองสุขใจสุกกายนี้เป็นสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวรไม่ยั่งยืน เรียกว่าสุขกลองควรส่วนความสุขใจนี้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่แน่นอนเรียกว่าสุขแท้นี่คือความสุขสองรูปแบบที่เราจะสามารถหากันได้ในชีวิตนี้ส่วนใหญ่ พวกเราก็จะไปหาความสุขทางร่างกายกันเพราะเป็นความสุขที่ทุกคนรู้จักกันทุกคนชวนกันไปทำกันตั้งแต่พ่อแม่ของเราพ่อแม่ก็สอนเราชวนเราให้หาความสุขทางร่างกายกันความสุขทางร่างกาย เกิดจากอะไรเกิดจากการได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพพวกเราจึงรู้จักแต่ความสุขทางร่างกายกันส่วนความสุขทางใจนี้ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้จักกัน แต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาได้มาวัดได้มาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้จักกับความสุขใจกันความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานความสุขที่ได้จากการรักษาสิ่งความสุขที่ได้จากการภาวนาคือสมถภาวนาได้แก่การนั่งสมาธิ ทำใจให้สงบและความสุขที่ได้จากวิปัสสนาภาวนาคือการสอนใจให้ฉลฉลาดให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อจะได้รู้อย่างถ่องแท้ว่าความสุขแท้นั้นเป็นอย่างไรความสุขปลอมนั้นเป็นอย่างไร วันนี้พวกเราก็ได้มาวัดกันได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันได้มาได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับความสุขสองรูปแบบนี้ความสุขทางร่างกายพวกเราก็รู้จักหากันอยู่พราะเราหากันอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่เราเคยคิดบ้างไหมว่า มันเป็นความสุขแท้หรือเป็นความสุขปลอมกันมันเป็นความสุขหรือมันเป็นความทุกข์กันแน่อันนี้ถ้าเราไม่ตรรองไม่พิจารณาเราก็จะไม่เห็นเราก็จะคิดว่าเป็นสุขแท้เราก็จะคิดว่าไม่ได้เป็นความทุกข์เราไม่ได้คิดว่าความทุกข์นี้เกิดจาก การมีราบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสผลธภะมีตาหูจมูกลิ้นกายเราจึงหากันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วพอเวลาที่เรามาเจอความทุกข์กันเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทั้งที่เรา ก็มีราบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสโอทธภามาคอยให้ความสุขกับเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราวิเคราะห์เราพิ จ, จารณาเราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มาให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนเดิม ไม่คงเส้นคงวาเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนไปได้เสื่อมได้มีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้เวลาที่เราเจริญในราบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสโภชพระในตาหูจมูกลิ้นกายเราก็มีความสุขกัน แต่พอเวลาที่เราพบกับความเสื่อมของลาบยศสารเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภะและของตาหูจมูกปิ้นกายเวลานั้นเราก็จะพบกับความทุกข์กันแล้วก็ไม่รู้จักวิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างไรแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกท่านก็จะสอนให้เรารู้จักความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นความสุขที่มั่นคงที่เป็นความสุขที่ยั่งยืน ที่เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาที่เป็นความสุขที่ถาวรโดยการสอนให้พวกเรามาทำบุญให้ทานกันสอนให้พวกเรามารักษาศีลกันสอนให้พวกเรามาภาวนากันมาเจริญสติเดินจงกลมนั่งสมาธิทำใจให้สงบ เราสอนให้เราพิจารณาถึงความทุกข์ต่างๆที่เรากำลังมีอยู่ให้เราถอดถอนให้เราปล่อยวางความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่กันสอนให้เราเห็นว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลตภานี้ครับเป็นความทุกข์เหมือนกับกองไฟ ถ้าเราไม่เดินเข้าไปกองไฟเราจะไม่ร้อนหอกถ้าเราเห็นกองไฟเราถอยออกมาเราอย่าเดินเข้าหากองไฟกองไฟจะไม่เผาเราจะไม่ทำให้เราร้อนแต่ถ้าเราเดินเข้าหากองไฟเข้าไปอยู่ในกองไฟเราก็จะต้องถูกกองไฟนั้นเผาเราไหมเราทำให้เราร้อนทำให้เราทุกข์ทรมานกัน อนี้พวกเรามองไม่เห็นกองไฟกันเห็นกองไฟว่าเป็นกองกองสุขกันเห็นว่าเป็นเป็นที่ร่มเย็นกันแทนที่จะเห็นว่าเป็นกองไฟเรากลับไปเห็นว่าเป็นที่ร่มที่ร่มเย็นกันเห็นว่าเป็นสุขกันเราเห็นราบยศสารเสริญ เห็นรูปเสียงกิ่นรสปวดท่าพะว่าให้ความร่มเย็นกับเราให้ความสุขกับเราแต่นักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารตัสาวกทั้งหลายท่านกลับมองไม่เหมือนเราท่านกลับมองเห็นว่ามันเป็นกองไฟเป็นกองไฟที่เราควรที่จะเดินออกจากกองไฟกันไม่ควรที่จะเดินเข้าไปอยู่ในกองไฟ แต่ความหลงของพวกเราทำให้เรามองกับตาลรปัดไปมองมองตรงกันข้ามกับความเป็นจริงแทนที่จะเห็นราบยศสารเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นโน้นโพธพว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นกองไฟเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นสุขเห็นว่ามันเป็นที่ร่มเย็น เราก็เลยต้องมาเจอความทุกข์กันเพราะเราเดินเข้าไปอยู่ในกองไฟนั่นเองเนื่องจากความหลงของเราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นกับตาละัาทกันเห็นราบยศสารเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพระว่าเป็นุขทั้งๆที่มันเป็นทุกข์แต่กลับมองไม่เห็นทุกข์ เห็นแต่สุขที่เป็นภาพบังตาภาพลวงตาเหมือนกับยาขมที่เคลือบน้ำตาลเวลาเราอมใหม่ๆนี้เราจะไม่ได้สัมผัสกับรสขมของยาเพราะมีน้ำตาลบางๆเคลือบอยู่เป็นขิว พอน้ําตาลที่เราที่เคลือบยาขมนี่มันละลายไปหลังจากที่เราอมไว้สักครู่หนึ่งพอน้ําตาลที่เคลือบยาขมละลายไปก็จะเจอรสของยาขมความสุขต่างๆที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑนี้ก็เป็นอย่างนั้น เป็นความสุขที่เกลืบความทุกข์เอาไว้เวลาเราได้มาใหม่ๆนี่เราจะดีใจกันมีความสุขกันเวลาได้เงินได้ทองมานี่ดีใจกันเวลาได้ยศได้ตำแหน่งดีใจกันเวลาได้สรรเสริญเยินยอดีใจกันเวลาได้ไปเที่ยวได้ไปดูไปฟังไปดื่มไปลิ้มรสอะไรต่างๆ มีแต่ความสุขมีแต่ความดีใจกันแต่พอเงินทองที่เราได้มามันหมดไปตำแหน่งหรือยศที่ได้มามันหมดไปคำสรรเสริญที่ได้มามันหมดไปรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้มามันหมดไปความสุขเหล่านี้มันก็จะหมดไปแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ ก็คือความทุกข์ใจความเศร้าโศกเสียใจคนบางคนนี่ถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายเวลาที่สิ้นเนื้อปดาตัวสูญเสียสิ่งที่รักที่ชอบไปสูญเสียข้าวของเงินทองสูญเสียคนที่รักไปใจก็จะทุกข์ทรมานจนไม่มีความอยากที่จะอยู่ต่อไป นี่คือส่วนที่เรามองไม่เห็นกันพวกเราจึงต้องทุกข์กันส่วนหนึ่งที่ทุกข์ก็เพราะว่าเราพยายามที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งที่เราได้มาเสื่อมไปเชน่นได้เงินมาเราก็ต้องพยายามหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ การที่เราไปหาเงินมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นความทุกข์อีกรูปแบบหนึ่งเพราต้องมีความเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานทำมาหากินต่างๆแล้วก็ต้องมาวิตกกังวลว่าจะสามารถหาไปได้อยู่เรื่อยๆหรือเปล่าหรือจะหมดไปด้วยเหตุผลอันใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่า นี่ก็เป็นความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันเราไม่มีความมั่นใจไม่มีความปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เพราะเขาไม่ได้ให้ความมั่นคงไม่ได้เป็นสิ่งที่มั่นคงนั่นเองเลยทำให้เรากังวลทำให้เราวิตก อันนี้ก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งสิ่งที่เรากลัวว่าจะหายยังไม่หายยังมีอยู่แต่เพียงแต่กลัวว่ามันจะหายมันก็ทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราทุกข์แล้วการที่พยายามที่จะหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราได้มาเราได้มาแล้วเราก็ต้องใช้ไป เราถึงจะได้ความสุขเช่นเงินทองที่เราหามาได้เราหามาแล้วเราไม่สมเราเก็บไว้เฉยๆไม่ได้เราก็ต้องเอามาใช้เพอาะถ้าได้มาแล้วไม่ใช้เราก็ไม่มีความสุขกันนะเราก็ต้องใช้เงินทองกันพอใช้เงินทองเงินทองมันก็จะล่อยหล่อไปเราก็ต้องขวนขวาย หาเงินมาเติมอยู่เรื่อยๆไม่ให้มันหมดแล้วถ้าเกิดมีอุบัติเหตุมีอุบัติภัยมีเหตุการณ์ที่ที่เหนีอววิสัยสุดวิสัยทำให้เงินทองที่เราหามาได้นี้หมดไปเราก็จะเดือดร้อนกันนี่คือความทุกข์ในรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่กับลาบยศสรรเสริญมีอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะที่เรามองไม่เห็นกันเวลาเราเห็นลาบยศสรรเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะนี้เราจะเห็นแต่ความสุขที่เราจะได้จากสิ่งเหล่านี้กันเพียงอย่างเดียวเวลาเห็นเงินเห็นทองนี่ก็เห็นความสุขที่เราจะได้จากการเอาเงินทองไปซื้อข้าวของต่าง เอาไปใช้ไปทำอะไรตามความอยากต่างๆเวลาได้ตําแหน่งได้ยศมาก็เห็นแต่คนที่จะมาให้ความเคารพเราเห็นอานาจที่เรามีที่เราสามารถสั่งคนนั้นสั่งคนนี้ให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้เราจะเห็นส่วนนี้เวลาเราได้ยินเสียงสรรเสริญเยินยอ เราก็จะเห็นว่าทุกคนนี้รักเราชอบเราไม่มีใครด่าไม่มีใครว่าเราเลยนี่เกิดส่วนที่เราเห็นเวลาเราได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสพลิตภาณฑตามที่เราต้องการเราก็เห็นแต่ความสุขที่เราได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่เราไม่เห็นเวลาที่มันอาจจะเสื่อมไป เราไม่เห็นตอนที่เราสิ้นเนื้อประดาตัวเราไม่เห็นตอนที่เราหมดวาสนาพ้นจากตำแหน่งพ้นจากยศต่างๆเรามองไม่เห็นตอนที่คนที่เคยสรรเสริญยกย่องเยินยอเรากลับมาดากลับมาปนามม า, มาว่าเราเราไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้เสพนั้น วันดีคืนดีก็อาจจะผุดหายไปก็ได้เราจึงมองไม่เห็นความทุกข์ในความสุขของสิ่งเหล่านี้แต่นักปราดนี้เขาไม่ได้มองเพียงมิติเดียวเขาไม่ได้มองเพียงด้านเดียวเขามองความจริงในทุกรูปแบบในทุกมิติความจริงนี้ไม่ได้มีเพียงมิติเดียว ามจริงนี้มีหลายมิติด้วยกันมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีขึ้นมีลงมีมามีไปนี่คือสิ่งที่นักป่าจะเห็นกันแล้วสิ่งที่เราใช้ในการหาสิ่งเหล่านี้ก็คือร่างกายก็มีหลายมิติเหมือนกัน มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายพอเวลามีความแก่มีความเจ็บมีความตายก็จะไม่สามารถหาความสุขตันตาจากลาบยศจลเสญจากรูปเสียงกลิ่นรสปศภะได้นักป่าจึงเห็นความทุกข์ในลาบยศจลเสริญ ในรูปเสียงกลิ่นรสพธภิภัณะแต่นันปกป่ามองไม่เห็นความทุกในการทำบุญให้ทานในการรักษาศีลในการภาวนาเพราะมันไม่มีความทุกเนี่ยมันมีแต่ความสุขถ้าจะมีความทุกก็เป็นความทุกที่เกิดจากการต่อต้านของข้าศึกศัตรูของใจก็คือ กิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่จะคอยต่อต้านไม่ให้เรามาทำบุญให้ทานไม่ให้เรามารักษาศีลไม่ให้เรามาภาวนากัน <Yeah. S 1> เพราะกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี้จะเห็นว่าการทำบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนานี้เป็นความทุกข์กัน <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่มี นักป่ามาคอยสอนมาคอยบอกเราเราจะไม่อยากจะมาทางนี้กันไม่อยากจะทำบุญให้ทานไม่อยากจะรักษาศีลไม่อยากจะภาวนากันเพราะเมื่อเรามาทำสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่สามารถไปทำในสิ่งที่เราเคยทำได้เคยทำกันก็คือเราก็จะไม่ได้ไปหาลาบยกสระเสริญ ไม่ได้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสดทพากันนั่นเองมันเลยก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าการทำบุญให้ทานการรักษาศีลการภาวนานี้เป็นความทุกข์กันไม่ใช่เป็นความสุขกันนักบาทนี้จะเห็นว่าความทุกข์เหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของการทำงาน เวลาเราทางานเราก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกันเวลาจะสร้างบ้านสร้างอะไรเราก็ต้องใช้กาลังเราก็ต้องมีการเหน็ดเหนื่อยกันแต่หลังจากที่เราทาเสร็จแล้วบ้านที่เราได้รับนี้มันมีคุณค่ากว่าความทุกข์ยากลบาบากที่เราพบในเวลาที่เราสร้างบ้านกัน พอเราสร้างบ้านเสร็จแล้วความทุกข์ยากลำบากต่างๆนั้นก็จะหายไปหมดเหลือแต่ความสุขความสบายที่มีบ้านอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยนี่ก็เป็นลักษณะเดียวกันกับการที่เรามาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาภาวนากันเราก็ต้องมีความทุกข์ยากลำบากเป็นธรรมดา เป็นความทุกข์ยากลำบากที่เกิดจากการต่อสู้กับกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาผู้ที่จะคอยดึงให้เราไปหาความสุขจากราบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระนั่นเองมันเป็นเหมือนกับการชักกะเยอะกันถ้าเราดึงมาทางนี้เขาดึงไปทางนั้นมันก็ต้องเจอ มันก็ต้องออกกำลังกันมันก็เลยเกิดความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกันทุกข์ยากลาบากกันแต่ถ้าเราชนะเขายอมแพ้เขาก็จะปล่อยเขาก็จะไม่ดึงเราไปทางนั้นพอเขาไม่ดึงเราไปทางนั้นเราก็รู้สึกสบายโล่งอกโล่งใจไม่มีอะไรมาต่อต้านเรา การภาวนาใหม่ๆการปฏิบัติธรรมใหม่ๆการทำบุญทำทานการรักษาสิ่งใหม่ๆนี่จะรู้สึกว่ายากเพราะมีผู้ต่อต้านเราผู้ที่จะดึงให้เราไม่ให้ทำบุญทำทานที่จะดึงให้พวกเราเอาเงินทองนี้ไปเที่ยวกันดีกว่าเอาเงินทองนี้ไปทำอะไรตามความอยากกันดีกว่าซื้อของที่เราอยากได้ดีกว่า เวลาทําบุญทําทานใหม่ๆจึงรู้สึกยากเย็นนะถ้าไม่ตั้งใจจริงๆถ้าไม่บังคับใจจริงๆนะจะทําไม่ได้ต้องตั้งใจต้องบังคับต้องสู้กับความตนันนีต้องสู้กับความโลภความอยากที่จะเอาเงินเอาทองไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกาย แต่ถ้าเราทำไปเราชนะครั้งแรกเราก็จะมีกําลังทำให้เราจะมีกําลังที่จะทำได้เพิ่มมากขึ้นไปหรือทำได้บ่อยขึ้นทำได้มากขึ้นไปต่อไปการทำบุญให้ทานของเหล่านี้จะทำได้อย่างง่ายดายและทุกครั้งที่เราทำเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาเช่นเดียวกับการรักษาศีล ตอนต้นเวลาเราจะรักษาศีลก็รู้สึกมันยากข้อนี้ก็ยากข้อนั้นก็ยากมันยากไปหมดเพราะเราเคยไม่เคยรักษามันเราเคยมีแต่ทำลายศีลไม่มีการรักษาศีลเราอยากจะพูดปลดเราก็พูดปลดกันเราอยากจะชอบโกงเราก็ชอบโกงกัน เราอยากจะประพฤติผิดตัเวนีเราก็ประพฤติผิดตัเวนีกันเราอยากจะดื่มสุรายาเมาเราก็ดื่มกันเราอยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็ฆ่ากันมันก็เลยทําให้รู้สึกยากเวลาที่เราจะต้องมาหยุดการกระทําเหล่านี้แต่ถ้าเรามีความตั้งใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรา รักษาศีลได้แล้วเราจะได้รับความสุขมากกว่าการที่เราไม่รักษาศีลเราไม่รักษาศีลเราได้รับความทุกข์แต่เรากลับมองไม่เห็นเราเห็นแต่ความสุขจากการที่เราได้ทำตามความอยากของเราเช่นอยากจะฆ่า ม, มดฆ่าแมลงที่มาคอยรบกวนเราพอเราฆ่ามันแล้วเราก็รู้สึกสบายไม่มีอะไรมารบกวนเรา แต่พอเรามานึกถึงผลของบาปที่จะต้องตามมาต่อไป่อไปตายไปเราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมดเป็นมแมลงให้เขามาฆ่าเราบ้างพอเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะกฎแห่งกรรมมันเป็นอย่างนั้นทำอะไรกับใครก็จะต้องถูกเขากลับมาทำเรา ถ้าเขาเขาก็จะกลับมาท่าเราลักทรัพย์ของเขาเขาก็จะกลับมาลักทรัพย์ของเราประพฤติผิดประเวณีกับผู้ใดเราก็จะถูกเขากลับมาประพฤติผิดประเวณีกับเราอันนี้ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเราก็จะสบายใจเราก็จะไม่ต้องวิตกไม่หวาดกลัวกับวิบากกรรมต่างๆ ที่จะตามมาแต่ตอนที่เริ่มต้นรักษานี่มันจะรู้สึกยากแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมีศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของกฎแห่งกรรมทำให้เราเกิดมีฮิริโอตปะขึ้นมาฮิริก็คือความละอายในการกระทำบาปโอตปะคือความกลัวต่อผลของบาปที่จะเกิดขึ้น มันก็จะทำให้เราที่จะมีความแน่วแน่ต่อการที่จะรักษาศีลกันแล้วพอเรารักษาศีลไปเดี๋ยวเราก็รักษาได้ถ้าเรามีความความตั้งใจที่แน่วแน่แล้วรับรองได้ว่าเราจะทำได้พอเราทำได้แล้วมันก็จะรู้สึกง่ายขึ้นไปตามลำดับต่อไปมันก็จะรู้สึกยากที่จะทำบาป ผู้ที่เคยรักษาศีลเคยทำเคยทาแต่ความดีแล้วนี้จะทำบาปยากส่วนผู้ผู้ที่เคยทำบาปเป็นประจำนี้จะรักษาศีลได้ยากจะทำความดีได้ยากแต่ไม่ไม่สุดวิสัยไม่สุดความสามารถเพียงแต่ว่าจะต้องใช้ความตั้งใจใช้ความเพียรที่แก่กล้า ใช้ขันติความอดทนถึงจะสามารถทําความดีได้ถึงจะสามารถรักษาศีลได้นี่คืออุปสรรคหรือความยากต่างๆที่ทาให้พวกเราที่ไม่เคยทำบุญให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยภาวนานี้จะท้อแท้จะไม่อยากจะทํากัน แต่ถ้าเรามองดูคนที่เขาทำได้แล้วว่าเขาสุขเขาสบายอย่างไรดูพระพุทธเจ้าท่านสุขสบายอย่างไรดูพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านสุขสบายอย่างไรเมื่อก่อนท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็ไม่ชอบทำบุญให้ทานท่านก็ไม่ชอบรักษาศีลท่านก็ไม่ชอบภาวนาเหมือนกันแต่พอ ท่านเห็นคุณค่าของการทำบุญให้ทานเห็นคุณค่าของการรักษาศีลเห็นคุณค่าของการบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาท่านก็บังคับพยายามบังคับตัวเราเองตัวท่านเองให้พยายามทำไปเรื่อยๆพอท่านพยายามทำไปท่านก็ทำได้ทำได้ทำไปจนกระทั่ง กลายเป็นของง่ายไปของยากก็จะกลายเป็นของง่ายไปถ้าเราพยายามทําอยู่เรื่อยๆทําไปจนเกิดความเคยชินขึ้นมามันก็จะง่ายขึ้นไปตามลำดับนี่คือวิถีทางของนักปราชญ์นักปราชญ์มองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดจากการกระทําว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อเห็นว่าจะเป็นสุข ถึงแม้ว่าเวลาจะทํานี้มันจะทุกยากลําบากก็ยินดีที่จะฟันฝ่าความทุกข์ยากลําบากเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ที่จะตามมาต่อไปเหมือนกับการสร้างบ้านสร้างเรือนถ้าเราไม่มีที่อยู่อาศัยเราจะลําบาก<ม>เราต้องไปอาศัยโคนไม้อยู่อาศัยตามใต้สะพานอยู่แต่ถ้าเรามีความพยายาม ที่จะเก็บเงินเก็บทองพยายามที่จะสร้างบ้านขึ้นมาไม่ช้าก็เลยเราก็จะได้บ้านขึ้นมาแล้วเราก็จะมีที่อยู่ปลอดภัยถึงแม้ว่าเราจะต้องทุกข์ยากลำบากในการหาเงินหาทองในการสร้างบ้านสร้างเรือนแต่พอเราได้บ้านเรือแล้วความทุกข์ยากลำบากต่างๆเหล่านั้นมันก็จะหายไปหมด เหลือแต่ความสุขแต่ความสบายเพียงอย่างเดียวนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาภาวนากันเราจะได้รับผลอันยิ่งใหญ่ได้รับความสุขที่แท้จริงความสุขใจที่มีหลายระดับที่เราจะไต่เต้าขึ้นไปตามลำดับ จนถึงระดับที่สูงสุดระดับที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดความสุขใจในระดับแรกๆถ้าเราไม่ทำอย่างต่อเนื่องมันก็หมดได้เหมือนกับการหาเงินหาทองถ้าเราหยุดหาเงินมีแต่ใช้เงินเหเงินที่เราหามาได้มันก็จะต้องหมดไปเช่นเดียวกับบุญที่เกิดจากการทำทาน บุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนานี้ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราทําแล้วหยุดทำํำความสุขที่เราได้มันก็จะหมดไปได้แต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆทําจนติดเป็นนิ ส, สัยไปมันก็จะไม่มีวันหมดตามดาที่เราทําไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดทําจนไปถึงระดับที่เราหยุดทําได้ คือระดับของพระพุทธเจ้าระดับของพระอาหารหันตสาวกุกเยท่านสามารถทำบุญระดับที่สูงสุดได้คือระดับวิปัสสนาภาวนาระดับปัญญาถ้าด้านสามารถทำในระดับปัญญาได้ความสุขที่ด้านได้จากระดับปัญญานี้จะไม่สูญหายไปจะไม่มีวันหมดไปเมื่อได้แล้วก็จะอยู่ไปตลอด เมื่อได้เต็มร้อยแล้วก็ไม่ต้องทำอีกต่อไปไม่ต้องเจริญปัญญาอีกต่อไปความสุขแท้จริงที่ถาวร น, นี้ก็จะอยู่ไปตามมิรันเป็นความสุขที่เราเรียกว่าพระนิพพานนี่นี่แหละเป็นความสุขใจที่แท้จริงเป็นความสุขใจที่ถาวรเป็นความสุขใจที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมด เป็นความสุขใจที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขเป็นความสุขที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่ได้รับความสุขในระดับที่ถาวรเพราะศาสนาอื่นก็มีสอนให้เราทำบุญให้ทานเหมือนกันสอนให้เรารักษาศีลเหมือนกัน เราให้เราภาวนาทำใจให้สงบเหมือนกันแต่เป็นความสุขในระดับที่ยังเสื่อมได้ยังหมดได้ถ้าไม่มีการทำอย่างต่อเนื่องแต่ถ้ามีการทำอย่างต่อเนื่องก็จะไม่มีวันเสื่อมวันหมดพอเวลาเสื่อมเราก็เติมเราก็ทำเพิ่มความสุขที่ได้จากการรักษาศีลทำบุญให้ทาน การภาวนานี้ก็จะทำให้เราอย่างน้อยมันไม่หมดไปในขณะที่เราตายไปไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพานี้พอร่างกายตายไปเมื่อไหร่ความสุขเหล่านี้จะหายไปหมดเลยใจไม่สามารถที่จะเอาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพั เอาติดตัวไปได้เลยถ้าไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ภาวนานี่จะไม่มีความสุขติดตัวไปเลยจะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายมีแต่ความหิวความโกรธความเลียดความเคียดแค้นความอาฆาตพยาบาทติดตัวไปมันจะพาให้เราไปเกิดในอบายกันถ้าเราไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้รักษาศีล ไม่ได้ภาวนาเลยพอความสุขทางร่างกายหมดไปพอเวลาร่างกายตายไปความสุขทางร่างกายนี้จะหายไปหมดเราเอาแต่ความทุกข์ที่ได้จากความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทความโลภความหลงต่างๆนี้ไปแทนแต่ถ้าเรา ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีพระพุทธศาสนาเวลาเราตายไปเราก็ยังเอาความสุขที่ได้จากการทำบุญให้ทานการรักษาศีลการภาวนาติดตัวไปได้ถ้าได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเราก็ได้ไปได้ความสุขของสวรรค์ชั้นต่างๆไป เรานั่งภาวนาทําใจให้สงบได้เราก็ได้รับความสุขของระดับพรมสวรรค์ชั้นพรมไปแล้วพอความสุขเหล่านี้เสื่อมหมดไปจากสวรรค์ชั้นพรหมเราก็ลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะกลับมาเป็นคนดีคนมีศีลมีธรรมคนใจบุญสุนทาน กลับมาก็จะกลับมาทำบุญทำทานใหม่มารักษาศีลใหม่มาภาวนาใหม่ตายไปก็จะกลับไปสู่สวรรค์ชั้นต่าง ๆ, ๆใหม่เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุขคติไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะสามารถต่อยอดได้ทำเพิ่มจากที่ในส่วนที่เราขาดได้ ส่วนที่เราขาดก็คือวิปัสสนาภาวนาคือปัญญาที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตาสาวกเท่านั้นถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอาหารหันตาสาวกท่า น, นก็จะสอนเราเพิ่มอีกข้อหนึง นอกจากทำบุญให้ทานรักษาสิ่งภาวนาสมถภาวนาทําใจให้สงบแล้วเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาพิจารณาให้เกิดปัญญาก็คือให้เราเห็นทุกข์ในราบยศสารเสริญเห็นทุกข์ในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่เห็นความทุกข์ในราบยศสารเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะกัน ถึแม้ว่าเราจะได้รับความสุขจากความสงบแต่เวลาเราออกจากความสงบเราก็ยังจะต้องอยากได้ความสุขจากาลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเหยื่อเลยแต่ถ้าเรามีปัญญามีวิปัสสนาที่คอยสอนเราว่าความสุขที่เราจะได้จากาลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพธะนี้มันเป็นความสุขเปล่า มันเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดอย่าไปฮุบเหยื่อพอฮุบเหยื่อแล้วจะถูกเบ็ดเกี่ยวปากเอาความสุขที่ได้จากการฮุบเหยื่อกับความเจ็บปวดที่ได้จากเบ็ดที่เกี่ยวปากนี้มันไม่คุ้มค่ากันนี่คือปัญญาวิปัสสนาที่จะสอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศนสรเสริญ ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสทธภาไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของผู้อื่นร้นเป็นอนิจจมทุกขังอนัตตาทั้งนั้นร้อนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะอนิจจาไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจดีเกิดก็มีดับได้มีเจริญก็มีเสื่อมได้มีการเปลี่ยนแปลงได้จากดีกลายเป็นไม่ดีไปได้เหมือนกับผลไม้ผลไม้เวลามัน สุขมันก็หวานน่ากินพอมันเปลี่ยนไปมันเป็นเน่ามันก็ไม่น่ากินขึ้นมาของทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้มันจะต้องมีวันเปลี่ยนแปลงจากดีไปสู่ไม่ดีจากเกิดไปสู่ดับจากเจริญไปสู่ความเสื่อมถ้าเราเห็นความเสื่อมเห็นความดับเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เราก็จะไม่อยากได้อะไรเราก็จะหยุดความอยากต่างๆที่พาให้เรามาเกิดกันได้ที่พาให้เราทุกข์กันได้ความทุกข์ของพวกเราเนี้เกิดจากความอยากในลาบยศ ส, ส, สรเสริญในรูปเสียงกลิ่นลดผพธพะไม่ใช่เพราะความเสื่อมของลาบยศ ส, ส, สระเสริญหรือความเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นลดผพธพะที่ทำให้เราทุกข์กัน พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่ทุกข์กับความเสื่อมของลาบยศจลเสริญไม่ทุกข์กับความเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นรสไม่ทุกข์กับความเสื่อมของร่างกายเพราะท่านไม่มีความอยากให้สิ่งเหล่านี้ไม่เสื่อมนั่นเองพวกเราหล่านี้ที่ทุกข์กันก็เพราะว่าเรายังอยากให้เขาไม่เสื่อมอยากให้เขาอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดมันจึงทําให้เราต้องทุกข์กันแล้วทาให้เราต้องกลับมาเกิดกันอยู่ เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมาเกิดในสุคติมันก็ยังต้องทุกข์กันเพราะเมื่อเจริญแล้วก็ต้องเสือ่อมเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าเราได้เจริญขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เห็นว่าราบยศสารเสนเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะเห็นตาหูจมูกเิ้นกาย เป็นทุกข์ไปหมดก็เลยทําให้เราไม่อยากมีสิ่งเหล่านี้ไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปมันก็จะทําให้เราอยู่ในที่ที่มีแต่ความสุขเพราะการไม่เกิดนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่ตงตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นยังมีความทุกข์อยู่ถ้าไม่มีการเกิดแล้วย่อมไม่มีความทุกข์ นี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกท่านไม่มีความทุกข์เพราะท่านไม่มีความอยากเพราะท่านมีปัญญาท่านเห็นแล้วว่าสิ่งต่างๆที่ท่านอยากได้นี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นต้องตัดมันหมดมีสิ่งเดียวที่ไม่มีความทุกข์ก็คือความไม่มีอะไรคือความว่างความว่างนี้ไม่มีเจริญไม่มีดับไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีเจริญไม่มีเสื่อม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะว่างของมันไปอย่างนั้นตลอดเวลาผู้ที่อยู่กับความว่างได้จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงนิบานังปรมังสุญัติยังนิบานังปรมังสุขขังนีความสุขใจอยู่ที่การไม่มีความอยากได้อะไรเมื่อไม่มีความอยากได้อะไรใจก็อยู่กับความว่างอยู่กับการไม่มีอะไรได้เมื่อสามารถอยู่กับการไม่มีอะไรได้ก็จะได้พบกับ บำลมมาสุขเป็นความสุขที่ไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีเจริญไม่มีเสือ่อมเป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่มีอยู่ตลอดเวลาไปตลอดอนันตการนี่คือความสุขใจที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นความสุขใจที่ถาวรความสุขใจของพระนิพพาน ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราจะได้ความสุขใจมันก็ยังเป็นความสุขใจที่ยังไม่ถาวรที่เราจะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเพราะหมดแล้วเราก็ต้องกลับมาเกิดแล้วก็เติมใหม่เหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งไปแล้วพอเติมน้ำมันเสร็จออกจากสถานีบริการก็วิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวน้ามันก็จะหมดก็ต้องหยุดที่สถานีบริการใหม่เพื่อเติมน้ามันใหม่ การมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นเหมือนกับการมาเติมบุญเติมกุศลเติมน้ำมันเติมความสุขให้กับใจแล้วพอพอเวลาบุญหมดความสุขหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเติมบุญเติมกุศลใหม่จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่มีน้ำมันที่วิเศษน้ำมันที่เติมแล้วจะไม่มีวันหมด คือน้ำมันของวิปัสสนาของปัญญาจะมีอยู่ที่สถานีบริการของพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าไม่มีสถานีบริการของพระพุทธศาสนาจะไม่มีน้ำมันชนิดนี้ขายจะไม่มีวิธีเจริญวิปัสสนาไม่มีวิธีเจริญปัญญามาสั่งมาสอนดังนั้นถ้าเราขับรถไปเติมน้ำมันแล้วเราไปเจอสถานีบริการที่เขียนว่าพุทธศาสนา ก็รีบสั่งน้ำมันวิปัสสนามาเติมเลยรับรองได้ว่าถ้าเติมเต็มถังแล้วทีนี้มันจะไม่มีวันพร่องไม่มีวันหมดไม่ต้องกลับมาเติมน้ำมันอีกต่อไปนี่คือบุญที่เราจะเติมกันจากพระพุทธศาสนาคือบุญขั้นสูงสุดคือขั้นวิปัสนาแต่ก่อนที่เราจะเติมบุญขั้นวิปัสนาได้เราต้องมีบุญขั้น สมถะภาวนาขั้นสมาธิก่อนก่อนที่เราจะมีสมาธิได้เราก็ต้องมีศีลแปศีล10ศีล227ร้อยยี่ก่อนก่อนที่เราจะมีศีลได้เราก็ต้องทำบุญให้ทานให้ได้ก่อนนะดังนั้นเราข้ามขั้นไปไม่ได้เราจะไปเอาปัญญาเลยโดยที่เราไม่ยอมทำบุญให้ทานไม่ยอมรักษาศีลไม่ยอมนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี้เราจะไม่สามารถ เติมน้ํามันวิปัสสนาได้เราจะไม่สามารถเจริญวิปัสสนาภาวนาได้เพราะมันไม่มีกําลังที่จะไปเจริญกันเราต้องสร้างกําลังจากการทําทานจากการรักษาศีลจากการเจริญสมถะภาวนาก่อนถ้าเรามีทานมีศีลมีภาวนาแล้วทีนี้เราจะมีกําลังที่จะไปเจริญสมวิปัสสนาภาวนาที่จะหยุดความอยากต่าง ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้พอเราหยุดความอยากต่างๆภายในใจหมดไปได้ใจของเราก็กลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเรียกว่าใจที่เป็นนิพพานใจที่สะอาดบริสุทธิ์คือนิพพานเมื่อนิพพานแล้วก็จะไม่มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปอ น, นี่คือเรื่องของความสุขสองรูปแบบ ที่มีอยู่ในชีวิตของพวกเรานี่คือความสุขกายกับความสุขใจที่พวกเราจะต้องเป็นผู้ตัดสินเลือกเอาว่าเราจะเอาความสุขแบบไหนถ้าเอาความสุขกายก็จะมีความทุกข์แถมมาด้วยถ้าจะเอาความสุขใจก็ต้องฟันฝ่าความทุกข์เพื่อที่จะได้ความสุขใจก็เป็นทุกข์สองรูปแบบความสุขกายก็เป็นทุกข์บ้นปลายสุขบ สุขตอนต้นแต่ทุกตอนปลายตอนแก่ตอนเจ็บตอนตายส่วนทุกของวิปัสสนาทุกของสุขทางใจก็จะทุกตอนต้นทุกที่จะต้องที่เกิดจากการทาทางเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนาแต่จะได้พบกับความสุขตอนปลายตอนที่เราได้ผลจากการทําบุญทำทานรักษาศีลภาวนานี่คือ สิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้เลือกกันเหมือนเวลาเราไปที่ร้านอาหารเขาเอารายการอาหารมาให้เราเขาก็จะรอคำตอบว่าเราจะเลือกอาหารชนิดในจะเอาก๋วยเตี๋ยวหรือจะเอาเข้าวผัดเอาไก่ย่างหรือเอาส้มตาเราก็ต้องสั่งสั่งอย่างไหนก็จะได้อย่างนั้นสั่งถ้าเราสั่งสุขกายเราก็จะได้สุขกายล้วก็ได้ทุกทุกตามมาด้วยถ้าสั่งสุกใจ ก็ได้ทุกมาก่อนแล้วถึงจะได้ความสุขใจตามมาที่หลังนี่เป็นทางที่เราจะต้องเลือกต้องตัดสินใจกันเอาเองแต่ถ้ า, ถ, าถ้าเราอยากจะเป็นคนฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเลือกสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งเลือกพระอาหันตาสาวุกส่งเลือกก็เลือกในทางที่ที่ในทางของความสุขใจนี่เองท่านจึงได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวร ถ้าเราเลือกความสุขกายเราก็จะต้องเจอความสุขชั่วคราวเวลาที่ร่างกายตายไปความสุขต่างๆที่เราได้ก็จะหมดไปก็ขอให้ท่านนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณพิจารณาไปปฏิบัติกันเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะถ า, าวาเิวะหาปุราปะเรปเรนติสาักลังเอวเมวะอิโตทินังเปตังนังอุปกาปะติอิชิตังปะทิตังตุมหังกิปะเมวะสมมิจโตสัพเพปเรนตุสังกปาปาจันโทปะน า, าอาาัโสยะถา มานิโชติหาสุยาาสัพพิติยวิวัจจันตุสัพพโลกวินาสตุมาเตผวะตวันตาายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธานสีลิสานิจจังุทธาปะจายโนจตารุธรมมวัฏานติ อายุวันโอสุขังภาลาง่งวันนี้ได้เสียงแจวแล้ววันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้เฟซบุ๊กวันนี้เฟซบุ๊กตอนพาจารย์แสดงทาอยู่ที่สามรอเจ็ดสิบครับแล้วก็ยูทูบอยู่ที่หกสิบคนครับ วันนี้มีอินเดียเข้ามาเพิ่ ม, มอินเดียครับ<อ>ประเทศที่27ไ ส, ส่งข้อความถามอะไรก็่า้เลยเซฮันน์ม า, ม, มาตอนแรกๆเลยนะครับใครอยากจะถามคาถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยนะถามได้ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมนะแต่พอเลิกประชุมแล้วก็ขอยุติอย่ามาถามหลังจากที่เลิกประชุมแล้วถ้าอยากจะถามถามตอนนี้เลย ชอบมาถามตอนที่เลิกนะตอนปิดร้านแล้วชอบมาซื้อของนะตอนร้านเปิดไม่ยอมซื้อกลัวจะไม่ได้ลดราคาเลยไม่ชอบหน้าไม้ชอบหลังไม้ฮะเอาเอาคำถามหน้าหม่มาก่อนส่งไปให้คุณผู้ชายนี่พูดใกล้ๆปากหน่อยนะจะได้เสียงดังกลับนมัสการะอาจารครับ อา่าอาจารย์อบรมต่างๆให้ผมจะได้ยินให้ผ ม, ผมอ่าปฏิบัติผมก็นําไปปฏิบัติตามทีา่อาจารย์ที่ได้อบรมตนางๆผมขั้นตอนที่ผมาเกิดความรู้สึกความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ทราบผิดหรือถูกคือเมื่ออดีตเนี่ยผมก็จะมีอโอบโอกรธโลภหลง คือหมายว่ามีการตัณหาวิภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเนี่ยแต่ผมก็เอาจากกรรมฐานที่พระอาจารย์อบรมสั่งสอนคือเอัคครู้เนี่ยไปควบคุมไม่ให้เกิดคิดและปรุงแต่งทำให้ความโกรธความโลภความหลงผาเริ่มหมดไปแต่ก็เพียงแต่จาง จากความรู้สึกนะครับมไม่ทราบว่าหนทางที่ผมนำไปปฏิบัติตามคำอบรมสั่งสอนของพระอาจารย์เนี่ยถูกหรือผิดครับถูกตอนต้นตอนตอน้ต น, ตอ น, ตอ น, ตอนไอ้พวกโรคกรดลงมันจะออกมาเพ่นพ่านกันพอเราทำลายไอ้พวกนี้หมดแล้วเราก็ต้องไปขุดคุยนะไอ้พวกที่มันหลบซ่อนในตามซอกตามมุมยังมีอยู่เรารต้องหาวิธีล่อมันออกมา ต้องไปหาเหตุการณ์ที่มันท้าทายต่อความโลภความโกรธเช่นมีเงินมากนักก็เอาไปทำบุญซะดูซิว่ามันจะไอตัวที่มันยังหวงยังห่วงเงินทองอยู่มันยังมีอยู่หรือเปล่ายังไม่มีก็ให้มันไปเรื่อยๆครับแล้วเมื่อสาวันที่แล้วคนข้างบ้านเนี่ย ยืนด่าผมไอ้ไอ้สัตว์เรียงแบบหยาบหยากายคายนะครับอาจารย์ผมก็ยืนฟังให้เขาด่าออแล้วพอหลังจากประมาณครึ่งชั่วโมงเขาว่าจบผมก็ยกมือไหว้ขอโทษครับออ่าผมปฏิบัติก็ถูกต้องนะครับแล้วไม่โกรธเ้าก็ถูกต้องอครับ อ, มอผมจะทําให้เด่นชัดขึ้นในข้อที่สองเนี่ย่าคือทําบ่อยๆถูกต้องนะครับถูกต้องอครับ แต่อย่าประมาทนอนใจเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอกับเหตุการณ์อื่นๆที่รุนแรงกว่านี้บางทีต่อไปโดนเมียตบหน้าบางทีปอปออาการบอกอขั้นตอนของการรับที่อากาศที่รุนแรงครับต้องรับได้หมดต้องสละทรัพย์ได้สละอวัยวะได้สละชีวิตได้ครับ นั่งกรรมฐานให้มีสติให้มากขึ้นอแล้วก็ใช้ปัญญาให้แอะมากขึ้นนะครับอรับสาะูการเที่ยวฟังแล้วดีได้กําลังใจอคนสอนมีกําลังใจหน่อยว่าอมีคนเอาไปปฏิบัตินะออย่าประมาทเท่านั้นนะอย่าไปคิดว่าโอ้ยมันตายหมดแล้วยังอ้าถ้ามันจะตายเราต้องไปบวชนะผมทําไปจนกว่าผมจะสังขารหาหม่ ถ้าอยากจะรู้มันตายไม่หมดหมดไม่หมดไปบวช ด, ดู อ, อไปบวชแล้วมันจะโผล่มาเยอะแยะเลยคมอยาจะตามมาด้วยค่ปรินำถามจากทาง Facebook Live นะคะคำถามจากคุณลิตาไม่ชอบพี่สาวมากๆเลยถึงขั้นเรียกว่าเกลียดเลยค่ะสาเหตุจากที่เขาไม่ทำไม่ดีกับแม่พยายามทำใจให้ปล่อยวาง และคิดว่าเขาทําเวรทํากรรมกันมาและเราอาจทําเขามาก่อนหลายชาตินั่งสมาธิก็มีความไม่ชอบขุดขึ้นเป็นระยะระยะแทนว่าถ้าแม่หายจากรักษาต้อจะไปอยู่ที่อื่นได้ไม่ต้องขุม่มมัวในใจระหว่างนี้จะทําอย่างไรได้บ้างคะยังวางความเกลียดเลยหรือให้อภัยไม่ได้ร้อยเปอร์เซนค่ะเพราะความอยากของเราเไงต้นเหตุ ข, ของความเกลียดความโกรธก็คือความอยาก อยากให้เขาดีกับแม่อยากให้เขาดีเหมือนกับเราดีกับแม่พอเขาไม่ดีเหมือนเราดีกับแม่เราก็โกรธเกลียดเขาเหมือนกับเราเป็นส้มเราก็อยากจะให้เขาเป็นส้มแต่เขาเป็นมะละกออยากยังไงมันก็ไม่มีวันที่จะให้มะละกอเป็นส้มได้แต่ถ้าเรายอมรับว่าเขาเป็นมะละกอก็ให้เขาเป็นมะละกอไปแม่จะชอบกินมะละกอก็ได้ <rồi> ถึงถึงอยู่กับเขาได้ให้คิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่โกรธไม่เกลียดเขาปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาคำถามจากคุณอาร์ตอมเรีผมเปิด Facebook แล้วเจอเขาเขาพูดถึงร้านขายเนื้อคุณภาพดีเขาบอกให้กินธัญพืช ด, ดีๆเพื่อเนื้อวัวจะได้มีคุณภาพครับแล้วผมก็เห็นเขาถ่ายวีดีโอวัวที่กินอาหารดีๆ แต่สุดท้ายวัวที่กินอาหารดีๆเขาก็เอาไปเชือดเอาเนื้อมาขาย อ, อยากขอความเมตตาอนุเคราะห์จากพระอาจารย์ได้เทียบเทียงเรื่องวัวถูกเชือดโดยได้กินอาหารดีๆมาอธิบายโดยเป็นเรื่องของธรรมะครับที่เกี่ยวกับตัวของเราเองครับว่าถูกอิเดีเชือดยังไงบ้างครับก็เชือดด้วยความทุกข์เนี่เวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราตายมันก็เครื่อเชือดเรานะ ตอนนั้นความสุขต่างๆที่เราหาได้จากทางร่างกายก็หมดไปเหลือแต่ความทุกข์ทรมานใจที่ยังเกิดอยู่เพราะความอยากที่ไม่ได้ตายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั้นอย่าอย่าเลี้ยงร่างกายเราให้มันดีจนเกินไปมาเลี้ยงใจเราดีกว่าเลี้ยงผิดตัวเลี้ยงร่างกายที่เดี๋ยวก็ต้องถูกเขาเชื่อ เรเลี้ยงใจดีกว่าที่ไม่มีใครจะมาเชื่อดได้คํถาถามจากคุณชินการที่เรานั่งดูลมหายใจเข้าออกทางปลายจมูกแล้วเกิดอาการตัวเองไปด้านหลังมีอาการอยากกลืนน้าลายสิ่งที่เกิดกับร่างกายแบบนี้คือเวต น, นาใช่หรือไม่คะแล้วแบบนี้คือเราไม่มีสติใช่หรือไม่คะอาการต่างๆของร่างกายมันเป็นปกติของร่างกาย ถ้าเราไม่ไปสนใจมันให้ความสําคัญของมันมันก็จะไม่มารบกวนเราเราก็เกินน้าลายเราก็เอ็นไปเอ็นมาอยู่ตลอดเวลาเวลาเล่นไพ่เราก็เอ็นไปเอ็นมาดูหนังเราก็เอ็นไปเอ็นมาไม่เอ็มีปัญหาพอเรามานั่งดูลมหายใจากลายเป็นปัญหาขึ้นมาก็เราก็อย่าไปสนใจมันมันจะเอ็นก็เรื่องของมันมันจะเกินน้ําลายอยากจะเกินน้าลายก็ไม่ต้องไปเกินมันตอนนั้น ปล่อยมันมันก็ปล่อยมันไหลไปน้ำในมันจะไหลออกมาทางปากก็ปล่อยมันไหลไปให้เราดูลมไปได้เรื่อยๆ แ, แล้วรับรองได้มันไม่ไหลหรอกมันเพียงหลอกเราทนั้นเองหลอกให้เราคิดว่ามันจะไหลหลอกเราว่ามันเองไปทางนู่นเองมาทางนี้ถ้าเรามัวไปกังวลกับเรื่องของร่างกายเราก็จะไม่สามารถนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เวลาเรานั่งเราต้องลืมร่างกายไปไม่สนใจร่างกาย ร่างกายจะเป็นอะไรอย่างไรไม่ต้องไปสนใจปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันให้เราสนใจกับสติคือการดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆเพียงอย่างเดียวแล้ว เ, เดี๋ยวเรื่องของร่างกายมันก็จะไม่มีปัญหามันจะหายไปคำถามสัทฉันอินบอกของผู้่ิไม่ขอเอ่ยนามปกติไม่ชอบเล่นหวยหรือซื้อลอตเตอรี่เมื่อเร็วๆนี้นั่งสมาธิแล้วเห็นตัวเลข ไปลองเอาไปซื้อหวยบังเอิญถูกสาเหตุเกิดจากอะไรคะหลังจากนั้นยังนั่งสมาธิเป็นปกติทุกวันและไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นตัวเลขดีแอบสงสัยว่าอะไรทำให้เราเห็นเลขแบบนี้หรือคะอ่ไม่ต้องไปสนใจว่าอะไรทำให้เห็นให้สนใจว่าเราจะทำกรรมันอย่างไรดีพระเจ้าบอกให้เราพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไป ว่ามันไม่แน่นอนเห็นวันนี้คราวหน้าอาจจะเห็นไม่ตรงกันก็ได้มันไม่ไม่มีอะไรแน่นอนแล้วเราก็ไปบังคับมันไม่ได้ให้มันแน่นอนไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันแน่นอนเราก็จะไปทุกข์กับมันคราวหน้าเห็นแล้วไปแทงไม่ถูกก็จะทุกข์งั้นอย่าไปสนใจกับมันดีกว่ามันเป็นทุกขังคำ ถ, ถามจากคุณชนะตนข้อที่หนึ่ง ตัวรู้จักการมีสติรู้สึกตัวระหว่างวันเหมือนจะกระจายกระจายจไม่ชัดเจนและหนักแน่นเหมือนตอนรานั่งสมาธิโยมปฏิบัติถูกต้องไหมคะต้องให้ตัวรู้เด่นตลอดเวลาไหมคะไม่ต้องไปสนใจตัวรู้มันจะเด่นไม่เด่นมันอยู่ที่ตัวสติของเราถ้าเรามีสติอยู่กับเรื่องเดียวเดี๋ยวมันก็เด่นขึ้นมาเองเราอย่าไปจับปลายเราต้องจับที่ต้นต้นคือสติ ถ้าเรามีสติเดี๋ยวเดี๋ยวตัวรู้มันก็จะเด่นถ้าไปคอยจับปลายมันก็จะไม่เด่นเพราะมันไม่รู้ว่าตัวตัวปลายมันไม่เกิดจากการไปจับที่ตัวปลายมันเกิดจากการไปจับที่ต้นคือให้เรามีสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวตัวรู้มันก็จะเด่นขึ้นมาเองอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคอนอย่าไปควานหาตัวรู้ยิ่งควานยิ่งไม่เจอใหญ่ ให้อยู่กับตัวรู้ตัวพุโทโธพุโทโธไปหรืออยู่กับอิรยาบทของร่างกายไปอย่าให้มันไปคิดปรุงแต่งการไปคิดปรุงแต่งการไปหาตัวรู้นี่ก็เป็นการคิดปรุงแต่งแล้วมันก็จะไม่มีวันที่จะเจอตัวรู้ได้ถ้าอยากให้แต่ตัวรู้ให้ตัวรู้เด่นให้อยู่กับพุโทโธไปหรือให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปแล้วเดี๋ยวตัวรู้มันก็จะเด่นขึ้นมาเองอ สองยังไม่เคยนั่งสมาธิได้ถึงระดับอับปนาสมาธิแต่มีความสุขจากการนั่งสมาธิโชยมาเรื่อยๆเพราะจิตได้พักไม่ได้คิดอะไรพยายามเจริญสติระหว่างวันแล้วนั่งสมาธิให้มากขึ้นเรื่อยๆจะได้อัปนาสมาธิเองไหมคะถ้าสติมีกําลังมากถึงขีดที่มันดึงให้เข้าอัปนาสมาธิได้มันก็จะเข้าได้ ถ้ายังมีกําลังไม่พอมันก็ยังเข้าไม่ได้คําถามจากคุณชัยลรถพระผิดศีลพระเป็นบาปคารวะไม่ถึงศีลพระผิดศีลพระจะบาปไหมคะบาปเท่านั้นแหะถ้าทำทำบาปมันบาปเท่ า, า, าทนั้นแหะไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคาราวะาแล้วอย่างนี้คนไม่นับถือพุทธศาสนาตกนรก หมดหรือหรือหมดหรือไม่ครับไม่หรอกการไม่นับถือศาสนาไม่ได้ทำให้ไปนรกการการทำบาปต่างหากที่ทำให้ไปตกนรกนั้นถ้านับถือพระพุทธศาสนาแล้วยังทำบาปก็ยังตกนรกอยู่ถ้าไม่รับถือพระพุทธศาสนาแต่ไม่ทำบาปก็ไม่ตกนรกไม่ได้อยู่ที่การนับถือหรือไม่อยู่ที่การนับถือศาสนาอยู่ที่การทำบาปหรือไม่ทาบาปที่นับถือศาสนาก็แสดงว่าเชื่อบาป เชื่อสคำสอนของศาสนาถ้านับถือศาสนามันก็ต้องไม่ทำบาสมันก็ไม่ไปนรกที่ไม่นับถือที่ทำบาปกันเขาไม่เชื่อศาสนาเพราะไม่เชื่อว่าบาสมีจริงก็เลยทำบาปกันก็เลยไปนรกกันนั้นมันไม่ได้อยู่ที่นับถือหรือไม่นับถือคนไทยเราเป็นพุทธต้องเก้าสิบเอร์เซ็นไม่ใช่นำไมบาผับเต็มไปหมดเลยมีแรงอบายามุขเต็มไปหมดเี่ พวกนี้แหละจะไปไปนรกกันเพราะว่านับถือด้วยปากมือถือสากปากถือคอนเขาไงนั้ย <c oughs> คำถามจากคุณมิลาวานันหากนั่งสมาธิภาวนาแบบรู้ตัวรู้สติภาวนาหรือฟังธรรมไปด้วยประมาณย0สินาทีจากนั้นก็เหมือนหลับไปในท่านั่งสมาธิ ไม่รู้ใดๆประมาณสี่สินาทีแล้วก็ลุกตัวขึ้นมากาหนดออกจากสมาธิแผ่เมตตาปก ต, กติอยากเรียนถามว่าในส่วนที่ดับหายไปนี้เสียหายไหมคะถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆก็คือไม่ดีใช่ไหมคะควรจะมีความรู้สึกรู้อยู่ตลอดจึงจะเป็นการสร้างเหตุที่ดีที่ถูกต้องใช่ไหมคะก็เป็นการนั่งหลับแทนที่จะนอนหลับก็นั่งหลับไป ก็ได้ประโยชน์ทางร่างกายไปร่างกายได้พักผ่อนแต่ใจก็ไม่ได้ความสงบไม่ได้สติไม่ได้สมาธิถ้าอยากจะนั่งพิจารไนั่งอยากจะได้สมาธิได้ความสุขจากความสงบก็ต้องอย่าหลับต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นไปถ้านั่งหลับก็อาจจะต้องลดการอัปทานอาหารให้น้อยลงให้มันหิวหิวหน่อยมันจะได้ไม่ง่วง ถ้ามันอิ่มแล้วมันหนังตาแหนังท้องมันตึงหนังตามันจะหย่อนให้หนังท้องหย่อนแล้วหนังตาตึงดีกว่าคำ ถ, ถามจากคุณเอถ้าเราทํางานไปบางครั้งก็พูดโทบางครั้งก็ใช้หน่อในการทํางานควบคู่กันไปได้ไหมเจ้าคะได้ทยังไงก็ได้ทําให้ใจเราอย่าไปปรูแต่งทําอย่าให้ใจเราลอยไปกับอดีตไปกับอนาคตไง ให้อยู่ในปัจจุบันให้ว่างปัา จ, จากความคิดปรุงแต่งแล้วเวลานั่งสมาธินั่งเฉยๆจิตมันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้ค่ะำถามจากคุณอารุณีถ้าเราถือสี่งแปลกสามารถความธรรมจากที่พระสารเ ท, าทได้หรือเปล่าคะได้การฟังธรรมนี่ไม่ได้เป็นการผิดศีลแต่อย่างใดเป็นองค์ประกอบของการปฏิบัติค่ะคำถามจากคุณเชิมคุญ ขอทราบอาการทางกายที่จะเกิดขึ้นเมื่อนั่งสมาธิจน จ, นจิตเราเข้าสู่ภาวะอุเบกขาครับจะทราบอะไรนะอาการทางกายที่จะเกิดขึ้นเมื่อนั่งสมาธิจนจิตเราเข้าสู่เบกขาค่ะกายมันก็เหมือนเดิมไม่เกี่ยวกันนะกายก็เป็นกายมันจะเป็นมะเร็งมันก็ไม่หายจากการเป็นมะเร็งอแต่บางโรคมันอาจจะหายได้ โรคที่เกิดจากความเครียดเกิดจากความไม่สงบของใจพอใจสงบโรคเหล่านั้นก็อาจจะหายไปได้ด้วยขึ้นอยู่กับต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายว่าเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากใจที่ไม่สงบพอใจสงบโรคนั้นก็จะหายไปได้เช่นมีนิทานเคยได้ยินมามีพระรูปหนึ่งชอบไปหาหมอแล้วก็ไปบอกหมอปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ หมอก็ตรวจอาการร่างกายทุกอย่างก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติหมอก็บอกไม่น่างกายถ้าไม่เป็นปกติคงจะเป็นทางจิตใจมากกว่าแล้วไม่นานภาพรูปนั้นก็เสกไปแล้วก็มาหาหมอใหม่แล้วก็บอกหมอตอนนี้ลรกเหล่านั้นหายไปหมดแล้วเพราะตอนเป็นา้าพมันเครียดอยากจะทำนู่นก็ทาไม่ได้อยากจะเที่ยวที่นั่นก็ไปไม่ได้อยากจะ ทำอะไรตามใจอําเมิใจไม่ได้มันทำไม่ได้ใจมันก็เลยเครียดขึ้นมาหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ปวดท้องม่วงปวดคอมั่งปวดอะไรบ้างแต่พอได้ศึกไปได้ไปทำอะไรตามความอยากแล้วหายหมดเลยคำถามจากคุณเบญจาถูกจะนั่งสมาธิก่อนไปทำงานประมาณสามสินาที อยูจะรู้สึกใจสบายๆ บ, บางครั้งมีความสุขเกิดขึ้นมาอยู่ในระหว่างวันพยายามอยู่กับลมหายใจเข้าที่ทําได้อยู่ต้องพยายามฝึกให้นั่งสมาธิให้เวลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมคะใช่เช่นวันหยุดนี่เราควรจะลองปฏิบัติมันทั้งวันสั ก, สกวันดูว่าวันนี้จะไม่ทําอะไรนอกจากเดินจงกรมนั่งสมาธิจะตัดกิจกรรมอย่างอื่นไปให้หมดดูหนังฟังเพลง ดูละครไปช้อปปิ้งไปเที่ยวที่นั่นที่นี่วันหยุดทํางานจะลองมาปฏิบัติให้มันเต็มที่สักวันดูยวแล้วจะเห็นผลแตกต่างกันอย่างฟ้ากับดินเลยรับรองได้คําถามจากคุณอารุณีขณะที่นั่งสมาธิศีสับสงกตลอดแต่รู้ตัวว่าเรากําลังนั่งสมาธิอาการนี้เป็นเพราะเหตุอะไรคะงานสับสงบไงแม่สับสงกก็คือไม่มีสติ สติมันอ่อนกําลังร่างกายมันสบายมันอิ่มมันสุขมันก็เราอยากจะนอนมันก็เลยสับประงกคําถามจากคุณอาราเรศทุกอย่างเขามีหน้าที่ประจําตัวอยู่แล้วเช่นร่างกายมีหน้าที่แปรปวนป่วยและตายจิตของต่ามีหน้าที่เก่าแล้วก็ทําจิตมีหน้าที่คิดไปเรื่อยๆ ส่วนเรามีหน้าที่รู้อย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่รู้จักหน้าที่ของตนและหน้าที่ของสิ่ต่างๆแล้วเราไปแทรกแซงหน้าที่ของสิ่อื่นก็จะทำให้เราทุกเพราะไปขัดขวางหน้าที่ของเขาอย่างนี้เข้าใจถูกต้องไหมครับจะว่าถูกก็ถูกแต่ตรงเรื่องหน้าที่ของจิตที่ร่องคิดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ความคิดนี้ไม่ใช่หน้าที่ของจิตความไม่คิดนี้ต่างหากเป็นหน้าที่ของจิต ควรจะหยุดคิดได้แล้วเพราะคิดแล้วมันทุกข์ถ้าไม่คิดแล้วมันสุขถ้าอยากจะสุขก็หยุดคิดซะอย่าไปคิดคิดแล้วมันทุกขรู้สุกถามดูคิดแล้วนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็เพราะความคิดนี่แหละถ้าหยุดคิดเมื่อไหร่มันจะคลอกขึ้นมาทันทีเลยคลอกครอกเั้นหยุดคิดดีกว่าหน้าที่ของจิตไม่ใช่อยู่ที่การคิดหน้าที่ของจิตคือหยุดความคิด หรือถ้าจะคิดก็ให้มันคิดไปในทางที่ทำให้เราไม่ทุกข์คิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคิดไม่อยากนี่เป็นความคิดที่ควรจะคิดกันอย่าไปคิดเพื่ออยากได้นู่นได้นี่อย่าไปคิดเพื่อทำนู่นทำนี่คิดแบบนี้แล้วจะทำให้เราต้องทุกข์คำถามจากคุณเอสแอนสันติผมมีอารมณ์ปรามาพระรัสนะใจมีอารมณ์คิดไม่ดีต่อท่าน เป็นมาหลายปีแล้วครับพอมีแนวทางแค่ไขทิเลสอารมณ์นี้ไหมครับผมสู้กับอารมณ์นี้ไม่ชนะสักทีบางทีสู้กันจนเกือบจะเสียสติก็มีครับก็เราถามตัวเราเองสิว่าเราปรามาสสิ่งบุคคลที่เราปรามาสนี้เขาดีกว่าเราหรือเขาเลวกว่าเราเราดูว่าเรามีความโลภความโกรธความหลงหรือเปล่าคนที่เราปรามาสเขามีความโลภความโกรธความหลงหรือเปล่าแล้วเราเอาอะไรไปปรามาสท่าน เราก็เอาความสกปรกของเราไปปรามาคนที่เขาสะอาดเท่านั้นเองปรามาไปก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรก็มีแต่โทษที่จะเกิดขึ้นกับเราเรานหนึ่งทำให้เราไม่สามารถเข้าหาผู้ที่ประเสริฐได้เราจะไม่สามารถรับประโยชน์จากผู้ที่ประเสริฐได้คําถามาคุณอัญชนาหนูนั่งสมาธิบางทีใจมันก็เป็นลมหายใจ บางทีใจก็สวดพระพุทธคุณผิดไหมคะก็ใหม่ๆมันก็อาจจะโลเลไปโลเลมาก็ยังดีกว่าไปคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงละครคิดถึงอะไรต่างๆแต่ทางที่ดีถ้าให้อยู่กับอันใดอันหนึ่งได้จะดีกว่าจะสวดก็สวดนั้นไปยังกระทั่งไม่มีแรงสวดก็ห ย, ยุดเแล้วค่อยดูลมหายใจต่อไปถ้าดูลมหายใจก็ดูมันไปอกลับไปสวด คำถามจากคุณชนะตนถ้าเราดูลมเป็นเครื่องอยู่เวลาจะตายไม่มีลมให้ดูแล้วให้อยู่กับตัวรู้ต่อไปถูกไหมคะอะ่ถ้าถ้ามันไม่มีลมก็ดูความว่างไปแทนอยู่กับผู้รู้ก็ได้ให้รู้เฉยๆรู้อยู่กับความว่างอย่าให้คิดปรุงแต่งก็แล้วกันให้ใจรู้สักแตรวร่ว่ารู้ให้ใจเฉยๆ จากคุณเมธภาวนาพุโทโธแล้วเกิดอุคขณีมิตรที่เป็นแสงเราควรตามแสงและภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับไม่ถูกหรอกเราภาวนาต้องการความว่างความสงบเวลามีแสงมีอะไรมาปรากฏก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับการภาวนาของเราไปดูลมไปพุโทโธไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่าง เข้าสู่ความนิ่งเฉยคาถามจากคุณสีวนันไปร่วมพิธีอัญเชิญองค์หลวงปู่มั่นขึ้นไปอยู่ในถ้ำบนภูเขาพร้อมพระธาตขององค์หลวงปู่ท่านระหว่างพิธีก็มีดวงจิตอื่นเขามาเข้าร่างคนร่วมพิธีแล้วคนที่เป็นแบบนั้นดวงจิตเขายังอยู่หรือเปล่าคะแล้วมอยู่ใ น, น่างเขาได้อย่างไรคะลูยงไว่ามีดวงจเข้าไป เราก็ไม่รู้อีก่ะก็อย่าไปสนใจเลยในเรื่องที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้อันนี้คาถามบอดค่าของพ่ อ, เ, อเดี๋ยวเราให้ส่งคำถามเข้ามาใหม่พักสักเดี๋ยวก็ได้นักมวยยังมีตีละครั้งพักบ้ง <im itation> างอันนี้เขากำลังส่งข้อความเข้าม า, ามีใครอยากจะถามอะไรไ้ยที่อยู่ที่นี่ ใม้มีเดี๋ยวนั่งสมาธิไปสักพักก่อนก็ได้ห้านาทีเดี๋ยวก็ต้องมีเข้ามายังมีเวลาประมาณสักสิบห้านาทีก็นั่งเฉยๆไปพอบอกนั่งสมาธินี่ต้องขยับท่าเลยไหมไม่ต้องขยับเรา ก, ก็เฉยๆดูลมไปนั่งอยากคิดปรุงแต่งก็ได้พอบอกให้นั่งสมาธินี้ตั้งท่าแนละ้วดูลมไปอ่ะตอนนี้ลองดูลมไป ดูเสว่าดูได้ไหมดูลมอย่างเดียวยาหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกอยากไปคิดอะไรสักห้านาทีได้ไหมแล้วใจจะเบาจะเย็นจะสบายถ้ามีคำถามก็ถามได้นะถ้าไม่มีก็ดูลมไปก่อนมีมาหนึ่งข้อคะอ่ะว่าม า, มาคำถามจากคุณณพน ถ้าตายไปพร้อมกับความบันเทิงขณะที่ตายจะไปนรกหรือเปล่าครับเพราะจิตตอนนั้นนึกสนุกสนานตลกขำๆไปเรื่อย อ, อไม่แน่หรอกมันอยู่ที่การารวมบุญรวมบาปที่เราเคยทําไว้ในชาตินี้และชาติก่อนว่าอันไหนจะมีกําลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็ไปสุขติไปสวรรค์ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าก็ไปอบาย มมนได้อยู่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่เราตายเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณนกรักหากเรานำเงินใส่ซองถวายพระให้ท่านไว้ใช้เป็นการส่วนตัวจะทำให้พระท่านผิดวิัยไหมคะ อ, อ๋อไม่ผิดหรอกพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ญาติโยมถวายเงินให้กับพระใช้ได้เพียงแต่ว่า<ม>อย่าอย่าให้พระเก็บไว้ให้ฝากลูกศิษย์ไว้ ให้ฝากกับคนที่ไว้ใจโดยที่ไม่ให้พระถือว่าเป็นเงินของพระเองเป็นเงินของญาติโยมฝากไว้เวลายะเวลาพระขาดเรืออะไรในเรื่องปัจจัยสี่ขาดอาหารขาดยารักษาโรคขาดเครื่องนุ่งหม่มหรือขาดที่อยู่อาศัยขาดค่าน้ำค่าไฟก็ให้ลูกศิษย์เอาไปชําระให้ถ้าลูกศิษย์ไม่ให้ก็ถือว่าสวยไป ดัองไปบอกญาติโยมว่าต่อไปอย่าฝากกับคนนี้ฝากคนนี้แล้วเขาไปใช้หมดแต่พระพระไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องเรียกเอาคืนมาเพราะไม่ใช่เป็นเงินของพระเ <in> งินของญาติโยมฝากไว้ให้ใช้คําถามจากคุณภาสกรทําภาวนาเพื่ออะไรคะเพื่อทําใจให้สงบเพื่อให้มีความสุขเพื่อชําระใจให้สะอาด กำจัดความโลบโกรธของเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปคำถามจากคุณธีรวัตรจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตของเราสงบคะก็เวลาเรากโกรธเรารู้รู้เปล่าว่าเรากโกรธเวลาเราโลภเรารู้รู้เปล่าว่าเราเราโลภถ้าเรารู้เวลาเราสงบเราก็จะรู้ว่ามันสงบที่ไม่รู้เพราะมันไม่เคยสงบตั้นเองจึงไม่รู้ว่าความสงบเป็นยังไง ถ้าลองได้นั่งสมาธิแล้วจิตสงบมันจะรู้เองมันก็เหมือนกับตอนที่เราหิวข้าวกับตอนที่เรากินข้าวแล้วอิ่มเรารู้เปล่าตอนที่เราหิวข้าวแล้วตอนที่เราอิ่มเรารู้เปล่าปัญหาของพวกเราคือเราไม่เคยอิ่มใจสักทีไม่เคยสงบสักทีมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธตลอดเวลามันก็เลยสงสัยว่าแล้วเวลามันสงบจะรู้หรือเปล่ามันก็รู้สิแต่เราถ้าไม่ได้ทําให้มันสงบสักที เราก็เลยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามันได้ยินแต่ชื่อมันเนี่ยที่พูดนี้เป็นชื่อของความสงบไม่ใช่ตัวสงบตัวสงบนี้ต้องเกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไปแล้วต้องนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆไม่ขยับตัวแล้วรับรองได้ว่าจะต้องได้เห็นความสงบแน่นอนสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว คำถามจากคุณสีลักมีอัญมณีที่เป็นหญิงที่มีรูปองค์พระพุทธปรากฏอยู่ในหญิงมีความหมายว่าอย่างไรคะก็ต้องไปถามเขาดูสิเราก็ไม่รู้เหมือนกันคํถาถามจากคุณคูณเวลานั่งสมาธิแล้วมักจะง่วงทําให้นั่งได้ไม่นานจะแค่ยังไงดีคะก็อดอาหารลดลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงไปจะได้ไม่ไม่ง่วง หรือว่าไปนั่งอยู่ในป่าช้าก็ได้พรบางรูปท่านก็ไปนั่งที่ปากเขีวเลยถ้าหลับก็หวัวทิ่มลงเขีวคำ ถ, ถามจากคุณอำพลเวลาภาวนาจนจิตสงบจากนั้นจะรู้สึกเคลิ้มตอนนั้นเอาสติไม่ค่อยอยู่เลยครับจิตจะบุงออกไปควรทำอย่างไรดีครับก็แสดงว่ายังไม่สงบเนยะ อ, อย่าพูดว่าสงบดีกว่าคือว่ามันไม่ฟุ้งดีกว่าถ้ามันสงบแล้วมันจะไม่เคลิ้มมันจะตื่นแล้วจิตสงบนี่มันเหมือนกับได้ตื่นขึ้นมาอีกโลกหนึ่งเลยตื่นจากความความหลงตื่นจากความฟุง้งซ่านมันจะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเวลาจิตสงบจริงๆมันจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจมากถ้ายังไม่ได้พบกับคำมหัศจรรย์ใจนี่แสดงว่ายังไม่ได้สงบ อย่างแท้จริงก็พยายามฝึกสติไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยให้มกากๆให้มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วให้นั่งบ่อยๆนั่งมากๆแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจอมันแน่นอ น, นคำถามจากคุณชีการภาวนาได้บุญมากกว่าการรักษาศีและให้ทานเพราะอะไรคะหนูเห็นว่าการภาวนาได้เฉพาะตนเองเท่านั้นแต่ทามไมถึงได้บุญมากกว่าคะ ไราวัดคคำว่าบุญก็คือความสุขใจความอิ่มใจความอิ่มใจของเป็นธรรมชาติของใจใจจะสุขเต็มที่เมื่อใจสงบควาใจจะสุขจากการที่ทําความดีทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแต่มันสู้ความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบนิ่งไม่ได้มันเป็นความสุขต่างระดับกัน ความสุขจากการทำบุญก็น้อยกว่าความสุขจากการรักษาศีลาา ก, การรักษาศีลจะทําให้เราสุขเพราะเราจะไม่ทุกข์กังวลกับบาปที่เราทํากันแล้วก็ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการรักษาศีลคำ ถ, ถามจากคุณโมนีการไม่มีสมาธิกับการไม่มีสติต่างกันอย่างไรคะ ส, สติก็คือการเราเลิกรู้ อยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นรู้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธเรียกว่าการเจริญสติส่วนสมาธิก็การนิ่งสงบของจิตหลังจากที่ได้เจริญพุโทโธแล้วก็จะนำไปสู่ความสงบต่อไปพอสงบแล้วการเจริญสติก็หยุดไปเหลือแต่สักแต่วรู้เหลือแต่อุเบขาอันนั้นเรียกว่าสมาธิคำถามจากคุณภาสกร สิ่งที่จําเป็นที่สุดในการภาวนาคืออะไรครับก็สตินี่ไงถ้าไม่มีสติก็ภาวนาไปอีกสิชาติก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ต้องฝึกสติให้มากๆให้ควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้แล้วจิตก็จะสงบได้คําถามจากคุณดาก้อนการสวมดมนต์ขณะขับรถจะบาปไหมครับถ้าไม่ได้พนมมือจําเป็นไหมครับที่ต้องสวดมนต์ที่ห้องพระเท่านั้น ออไม่จำเป็นหรอกถ้าเราสวดภายในใจถ้าเราสวดออกเสียงเราก็ต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมเพราะคนอื่นเขาได้ยินแล้วเ็าจะตาหนิเราได้เช่นไปสวดในห้องซ่วงอย่างนี้นั่งแต่ถ้าเราสวดภายในใจสวดที่ไหนก็ได้ในห้องซ่วงก็สวดได้เพราะการสวดก็เป็นการจเจริญสติดีๆนี่เองฉะนั้นต้องอยู่กับว่าเราออกเสียงหรือไม่ถ้าออกเสียงก็ต้องรู้จักกาลเทศะ รู้จักที่ควรไม่ควรแต่ถ้าภาวนาจเจริญสติด้วยการสวดมนต์นี่เวาสวดได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาถ้าไม่ออกเสียงคำถามจากทางยูท b e จากคุณลาวันพี่เจรณาอาสุภามานานละการได้มามากหลายปีแล้วเรียกว่าสมาธิดีขึ้นใช่ไหมคะไม่หรอกเรียกว่าปัญญาดีขึ้นการเจริ ญ, ญาสุภาพนี้เป็นปัญญา ปัญญาก็ทำให้จิตสงบได้เหมือนกันน่าสงบได้อย่างถาวรกว่าความสงบด้วยสติคําถามจากคุณเมธภาวนาถึงอัปปนาสมาธิบ่อยๆได้นานๆหลายๆปีแล้วค่อยทํำวิปัสนาเดินปัญญาถูกต้องไหมครับไม่ถูกหรอกถ้าได้อัปปนาสมาธิแล้วออกมาถ้าเราชํานาญการเข้าออกแล้วก็สามารถ ใช้ออกมาพิจารณาทางปัญญาได้เลยไม่ต้องไปอยู่เป็นหลายๆปีถ้าเราสามารถเข้าอัปปนาสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการก็ถือว่าเราชำนาญทางสมาธิแล้วพอที่จะใช้ในการเอาไปเจริญปัญญาได้แล้วคำถามจากคุณชนะตนอุเบกขาที่แท้จริงคือจะวางเฉยได้เอง เมื่อมีสิ่งมากระทบทั้งที่ชอบและไม่ชอบโดยไม่ต้องบังคับหรือข่มใจใช่ไหมคะใช่มันจะเป็นเป็นธรรมชาติไปมาอันนี้รู้สึกแบบนันไม่ดีแลวรู้สึกว่ามันมันดังไม่ดังสลับกันไปคำถามจากคุณนภพลคำว่าโลกหมุนติ้วๆที่หลวงตาบัวท่านเคยเทศไว้นั้น สภาวะนึ่งของผู้ปฏิบัติใช่ไหมครับไม่ใช่โลกหมุนเติ้ยวจิตหมุนเติ้ววโลกมันหมุนของมันอยู่แล้วที่ท่านพูดถึงมีเวลาที่จิตมันจเจริญปัญญามันจะหมุนเติ้วมันจะคิดหาหากิเลตตามหากิเลตว่ามันอยู่ตรงไหนมันจะฆ่ามันด้วยวิธีไหนจิตหมุนเติ้ยวเวลาจเจริญปัญญาเนี่จิตมันจะหมุนเตี้ว คำถามจากคุณนนะ้อยนาอยากกราบขอเข้ามาพระอาจารย์ค่ะเพราะอยู่ไ ก, กลกราบอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะอย่าเลยไม่ต้องกราบ <ขอ S 1> แล้วเพราะฟังมานานแล้ ว, ลวกลัวทําบางอย่างผิดพลาดไปกลัวบาเจ้าคะ่ะก็อย่าไปทำก็แล้วกันคํถาถามจากคุณอีนาการสวดการนอนสวดมนต์เวลาเราว่างๆโดยไม่ได้นั่งสวดบาบไหมคะไม่บาบแล้วเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ผลดี เท่ากับการนั่งสวดเพราะนอนสวดไปเดี๋ยวมันหลับได้ถ้าไม่หลับแล้วจิตสงบก็ใช้ได้เช่นเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราลุกขึ้นมานั่งสวดไม่ได้เราก็นอนสวดไปก็ดีกว่าปล่อยให้โอดนอนโอดควนคลางคือทําใจให้สงบแล้วใจจะได้ไม่ต้องทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายคําถามจากคุณอาร์ตอมาเรีสธรรมาลมคืออะไรครับ แล้วธรรมอารมณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรครับความรู้สึกในใจเราเนี่ยเรียกว่าธรรมอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงอารมณ์ที่สงบอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นอารมณ์ทั้งนั้นก็เกิดจากหลายอย่างเกิดจากผัสสะที่สัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายเกิดจากสัญญาความลึกถึงอดีตคิดถึงคนนั้นขึ้นมาก็อารมณ์ไม่ดีลนะ คิดถึงหนี้ที่ต้องไปจ่ายก็อารมณ์ก็ไม่ดีแล้วแต่คิดถึงแฟนที่จะมาหานี่อารมณ์ก็ดีขึ้นมาทันทีคือมันก็มีหลายอย่างด้วยกันเกิดจากสัญญาบ้างเกิดจากสังขารบ้างเกิดจากกลิ่นที่ได้ดมบ้างเกิดจากเสียงที่ได้ยินบ้างมันก็ทําให้เกิดทําอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้คําถามจากคุณอารุณีเราสามารถเห็นนานฟ้าในโบสถ์ได้หรือไม่คะ นางฟ้าในบุตรเป็นยังไงไม่เคยถ้าเป็นเทวดานี้เราต้องมีตาทิพย์เราถึงยาพบกับเทวดาได้เราต้องนั่งสมาธิในขั้นอุปจารสมาธิพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับเทวดานี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เข้าไปในอัปปนาท่านอยู่ที่อุปจาระท่านถามจากคุณจีนดาวัดขายพระเครื่องหรือเรียกว่าให้เช่าจเจาา้าอว่าผิดไหมครับ ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ที่ควรจะทำหน้าที่ของพระควรจะให้ธรรมะสั่งสอนธรรมะไม่ได้ให้มาค้าขายถาวรละวัตถุเริ่มวัตถุมงคลต่างๆแต่ท่านก็มีเจตนาดีท่านอยากจะสร้างโบสถ์สร้างวิกุติอยากจะรักษาวัดวาให้สะอาดเรียบร้อยญาติโยมก็ไม่ยอมมาทําบุญก็เลยต้องหาวิธีล่ อ, อปั้นพระพุทธรูปกันขึ้นมา เราก็เสกเป่ามันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของวิเศษยาโยมก็อยากจะได้กันก็เลยไปทำบุญที่วัดกันไปเช่าพรกกันถ้าท่านเอาเงินนี้มาบุรณลซ่อมแซมวัดมารักษาวัดให้ดูสะอาดเรียบร้อยเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสก็ดีอยู่แต่ก็ยังไม่ถูกวิธีวิธีที่ถูกที่ควรท่านควรจะศึกษาและปฏิบัติธรรมจนท่านบรรลุธรรมแล้วท่านเอาธรรมที่ท่านบรรลุมาสั่งสอน รับรองได้ว่าจะมีญาติโยมมาทำบุญกับท่านเหลือเฟือเหลือหลายแล้วก็เป็นวิธีที่ถูกต้องกว่าที่จะมาะนั่งเปมานั่งทำวัตถุมงคลต่างๆพูดไปตามความจริงก็เป็นเหมือนกับการหลอกลวงนี่เองเพราะว่ามันก็ไม่มีความมงคลในวัตถุวัตถุมันจะมงคลได้ยังไงวัตถุมันก็ต้องเป็นวัตถุดินมันก็ต้องเป็นดินอยู่นั่นน่ ามาปั้นให้เป็นรูปอะไรมันก็ยังเป็นดินอยู่นะมันจะเป็นความมงคลขึ้นมาไม่ได้ความมงคลเกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมต่างๆกาเลนะธรรมะสวังเอตามังกลมุตตมังการได้ฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะฟังแล้วก็จะได้ปัญญาได้ความเห็นที่ถูกต้องได้ความสุขใจที่เกิดจากความสงบสามารถกําจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ นี่แหละคือมงคลที่แท้จริงคือการฟังเทศฟังธรรมแต่พระท่านอาจจะไม่มีธรรมะมาสั่งมาสอนท่านก็เลยเอาพุทธพุทธรูปมามาให้แทนญาโยมดูแล้วก็เฉยเฉยาบอกว่าดีก็เชื่อว่าดีไปถ่าบอกว่าร่ำรวยก็เชื่อว่าร่ำรวยไปแต่มันไม่มีผลตามที่เขาโฆษณาหรอกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ขายพระไม่เคยสอนให้ว่นพระพุทธรูป พระพุทธเจ้าสอนให้แต่ศึกษาปฏิบัติบรรลุธรรมแล้วก็เอาธรรมนั้นมาเผยแผ่สั่งสอนเอาแล้วนะพอดีคิดว่ า, าได้สมควรแก่เวลาก็คิดว่าขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ